วันนี้เป็นวันมาคาบูชาท่านผู้ฟังแล้วยังไงจริงๆเราทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันมาคาบูชาหรือวันสําคัญทางาศาสนาที่เราควรจะต้องมาปฏิบัติธรรมส่งอยู่ในธรรมรักษาศรรีลเจริญภาวนามีเมตตาต่อกันแต่ควรจะทําทุกวันวันนี้เป็นวันพระด้วยแล้วยังไงไม่ใช่จาเป็นเฉพาะต้องวันพระฉะนันถึงจะปฏิัติธรรมรักษาศรรีลทําใจให้สงบ มีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายเราควรจะต้องทำทุกวันด้วยซ้ำแต่ถ้าท่านผู้ฟังจะอาศัยวันนี้เป็นวันที่จะเตือนสติเราว่าโอ้ฉันจะทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปฉันจะเพียนละอกุศลที่มันยังมีอยู่ให้ได้อาศัยนี้เป็นเหตุปัจจัยในการที่จะทำความดีอันนี้สามารถทำได้อันนี้สามารถมีขึ้นได้เกิดขึ้นได้ คือที่ค้าพเจ้าพูดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะมาจ้องแต่จะทําความดีเฉพาะวันสําคัญทางศาสนาหรือว่าจะจ้องแต่ทําความดีเฉพาะในช่วงวันพระแล้ววันอื่นเราประมาทเผลอเพลินไม่ใช่อย่าเป็นอย่างนั้นแต่ให้เรามีความไม่ประมาทไม่เผลอไม่เพลินมีสติไม่ลืมหลวงอยู่ในทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันสําคัญแต่ทุกวันเราควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่คือถ้าจะสลับกันเนี่ยเช่นว่าเอางั้นวันพระคุณเผลอเพลินช่แล้วที่เหลือคุณให้ตั้งสติให้ดี มีติไม่ลืมหลงอันนี้มันน่าจะดีกว่าด้วยซ้าเพราะว่าจํานวนวันที่มันไม่ใช่วันพระเนี่ยมันมากวันพระจํานวนวันที่เป็นวันธรรมดาเนี่ยมันมากกวันพิเศษแต่ให้เราทําทุกๆวันให้เป็นวันที่พิเศษนะเติมฟังทําทุกวันให้เป็นวันที่สําคัญที่เราจะต้องรักษาทิศเอาไว้เพราะมันไม่แน่ไม่นอนนะคนเรามันไม่แน่ไม่นอนว่าจะมีความพิกผันไปอย่างไรอย่พูดง่ายๆอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะไอ้ความตายที่มันจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยจึงเป็นเหตุที่จะต้องทําให้เรามีความระวังมีความที่จะไม่ประมาทแต่ระวังในที่นี้ไม่ใช่ว่าเครียดครัดจนกระทั่งว่าทําอะไรไม่ได้แต่ระวังในที่นี้คือมีความไม่ประมาทระวังในที่นี้คือมีสติระวังในที่นี้คือมีกามสมรสํารวมอินทรีย์ระวังในที่นี้คือเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอตื่นด้วยใจที่มีสตินั่นเองเพราะนั้นเราเข้าใจละ แตนะ่ถ้าเราฟังจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวันพิเศษอะไรก็ตามถือข้าพเจ้าจะไม่ค่อยพูดอะไรพิเศษแตนะเพราะวทุกวันสําหรับตัวข้าพเจ้าแล้วเป็นสิ่งที่พิเศษนั้นะที่เราตื่นเช้ามาลืมตาขึ้นมาเนี่ยโอ้ฉันยังมีชีวิตอยู่อหนะ้อันนี้มันดีแล้วมันดีแล้วแตนะเป็นวันที่พิเศษของเราในวันนี้แตนะแค่วันนี้วันเดียวถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทมีความเพียเพรเผากิเลสมีสติไม่ลืมหลง มีใจไม่เครียดคลาดเกินไปมีจิตตั้งมั่นเป็นอาร ม, มันเดียวแต่วันนั้นเป็นวันพิเศษสําหรับเราเป็นวันที่เราสามารถใช้ในการทําความดีใช้ในการแบ่งปันความดีของเรากับเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรก็ตามวันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่ชาวโลกเขาสมมุติกันก็ดีทังดีดีในการที่เราจะระลึกถึงบุญคุณของบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ในการที่ทําให้มีวันนี้เกิดขึ้นมาได้ แนในประเทศไทยเราก็ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้ากันเป็นส่วนใหญ่ก็ยังมีวันสําคัญวันพิเศษที่เกี่ยวเนื่องด้วยทางคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หลายวันวันมาค้าบูชานี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นในลักษณะของวันพิเศษนี้วันนี้ข้าพเจ้าก็จึงจะต้องการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงว่ามันพิเศษยังไงทําไมเขาถึงยกย่องหรือว่าสมมุติวันนี้ให้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งอย่างอย่างที่ได้กล่าวมา เหตการอะไรที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ในสมัยพู้ตการที่ทำให้วันนี้เป็นวันพิเศษอันนี้ก็ต้องมาเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ๆสมัยที่ตําบลขยาที่ตำบลขยาหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็อยู่ที่ตําบล น, นั้นอยู่ประมาณ2เดือนในช่วง2เดือนนั้นแล้วก็มีความคิดความดิบในเรื่องของการแสดงธรรมว่าจะแสดงธรรมโปรดใครดี ใ น, ในที่สุดก็ได้ตัดสินใจว่าจะไปให้ปัญจวัคคีคือพิกษุททั้ง5เนี่ยได้ฟังธรรมะก่อนเพราะว่าเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยอยู่หลังจากที่ได้เดินทางจากตำบลขยาไปที่ป่าอ e ีสีปัฒนะแขวงเมืองพันรนาศีตรงนั้นแล้วก็ได้แสดงธรรมจักกับปปัตนาสูตรให้เราปัญจวัคคีฟังอันนั้นก็เป็นเดือน8ปดะนันคือตราสรู้เดือน6 พักอยู่2เดือนนะมาถึงเดือน8ได้แสดงธรรมเทศนาครั้งแรกนะเป็นการหมุนธรรมจักรให้เป็นไปที่ป่าอีสิปตนามรุขไทยวันนั่นะคือแถวเมืองพานาสสีพราะเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะเรียบร้อยพระุเจ้าก็ยังอยู่ที่นั่นอีกประมาณสัก3เดือนนะในความเห็นของนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยก็ลงความเห็นว่าประมาณ3เดือน โดยให้ความเห็นว่าเป็นการอยู่จำพรรษาณนะที่บริเวณนั้นแต่ว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้บัญญัติเรื่องของการจำพรรษาอย่างไรก็ตามดังนั้นอาจจะอยู่มากกว่าหรือน้อยกว่าว ก, ก็แล้วแต่แต่ว่าความเห็นส่วนใหญ่เขาก็จะลงกันที่3เดือนนที่นั้นหลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาครั้งแรกแล้วและในช่วงที่ยังอยู่ที่เมืองปานนสีเนี่ยก็ได้มีสาวกเกิดขึ้นตามมานอกเหนือจากบรรดาวิกีด้วยนั่นก็คือ ยัสสกุลบุตรนัยยะสักกุลบุตรนี้เป็นผู้ที่มีความอบพิมพ์เพียบพร้อมด้วยการมคุณทังห้าเป็นลูกของเศรษฐีนะ่ะมีความสุขได้รับการเราคบประ ง, งมต่างๆานานาแต่ว่าเห็นโทษภัยในกาเหมือนกันนะ่ะออกจากเมืองพระนศีมาคิดว่าจะหาที่ที่มันไม่วุ่นวายหาที่ที่มันสงบแต่ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้คิดว่าท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุ ท, ทธพจน์ที่ข้าพเจ้าได้ได้อ่านให้ฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวของพระยะสะัสส ที่ได้มาพบพระพุทธเจ้าเราก็ได้ฟังธรรมแต่หนะลังจากได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมเรียบร้อยก็มีเพื่อนของท่านพระยาาัสสาอีก4คนรวมท่านพระยาาัสสาเป็น5้าคนมีชาติเสมอกันส่วนอีก50าสิคนแล้วก็เป็นสหายที่ตามมาเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยก็จึงมีพระยาาัสสากับเพื่อน5คนแล้วก็มีสหายอีก50คนแล้วก็ยังมีบรญจับวัคคนะีรวมกันทั้งหมด60รูป ในะรวมพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็น61รูปพรนะพุทธเจ้าตอนนั้นก็ตรัสกับพระอาหารหันต์สาวกทั้ง60รูปในะ60รูปแรกเนี่ยที่ป่าอีสิ ป, ปัตนะมฤคตยวันหพูดถึงการที่ให้ไปแสดงธรรมโดยให้มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะอย่าไปทางเดียวกัน2รูปแล้วก็บอกว่าสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรม สัตวผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่นี่คือได้ตรัดกับภิกษุ60รูปแรกที่เป็นพระอรันในช่วง3เดือนนั้นที่อยู่ที่ป่าอีสีปัตตนามรุขไทยวันนอกจากมีภิกษุ60รูปแรกนี้แล้วที่เป็นพระอรันทั้งสิน้นบวชให้กับมือเองแล้วก็ยังมีอุบาสกอุบาสิกาที่ถือประทนาตรายาก็เป็นพวกพ่อแม่แล้วก็ภรรยาเก่าของท่านไบยะสะแล้วก็อื่นๆอีกด้วย เมื่อตอนนั้นพระเจ้าหลังจากอยู่ที่ป่าอีสิปตนาะมรุกะยิวันได้พอสมควรนะหลังจากที่ตรัสกับภิกษุ60รูปแรกเราก็ได้บอกว่าแม้ตัวพระองค์เองนะก็จะไปที่ตำบลอุรุเวลาเพื่อที่จะแสดงธรรมก็ไปองค์เดียวอย่างมือนกันแนะ0คนต่างคนต่างไปนะไปแยกกันไปในขณะที่พระเจ้าเดินทางไปถึงตำบลอุรุเวลาล้วนะก็เป็นบริเวณที่พระองค์ตรัสรู้นั่นเอง เขาเรียกว่าแต่แถนั้นก็เรียกว่าแคว้นมคตะมีเมืองหลวงของแคว้นนี้ก็ชื่อเมืองราชฤกษ์และในโซนนั้นบริเวณ น, นั้นแล้วก็เป็นที่อยู่ของพวกชลินนชลินเนี่ยหมายถึงฤาษีนั่นแหละฤาษีที่บูชาไฟแล้วก็อาศัยแหล่งน้ําะอยู่บริเวณหนึ่งและพวกชลินพวกนี้เขาก็บูชาไฟแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นพระรูเจ้าก็มาพบปา ก, กับพวกชลินแลก็มี คณะนี้เป็นคณะใหญ่นะมีบริวารมากแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกัน3นะมกลุ่มนี้ก็เป็นพี่น้องกันพี่ชายใหญ่ก็มีบริวารมากกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะมี500ร้อคนนะน้องชายคนรองน้องชายคนเล็กกนะ็มีบริวาร300คน200คนตามลำดับแล้วนกะ็มีเพื่อนด้วยกันทั้งหมด 1,000 คนด้วยกันนะเป็นกลุ่มใหญ่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้านําบูชาฝ่ายอยู่มีความคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ เน่ยเป็นรูษีหนวดยาวผมยาวลักษณะ น, นั้นพอพระเจ้าก็เป็นผู้ประวิทิ์ประมาจันเป็นสมณะคนหนึ่งเนี่ไปถึงก็ไปขอที่อยู่ขอที่พักเนี่กับชลินผู้พี่ก็ปรากฏว่าได้แสดงปาฏิหาริย์เนให้เห็นเนะให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีความสามารถมากดังนะเช่นการที่ปราบพญานาคเนะให้หมดฤทธิ์การที่มีเทวดามาฟังธรรม มีแสงสว่างไปทั่วบริเวณเดินบนน้ำนะจุดไฟนะแวกน้ำบ้างอะไรบ้างหลายปฏิหารด้วยกันนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวพิสดารเหมือนกันในะรายละเอียดก็มีในลักษณะที่จะทำให้ชลินเนี่ยเขาเกิดความเลื่อมใสแต่ปรากฏว่าทั้ง7วาระที่แสดงปฏิหารเนี่ยชลินผู้พี่คนนี้ที่ชื่อว่าอุรุเวละกัสปะเนี่ยก็มีความคิดว่าพระพุชานี่มีฤทธิ์มากจริง นะสมณะคนนี้มีฤทธิ์มากแต่ว่าคงไม่ใช่พระอรันเหมือนตนพนะพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูอย่างไรก็ตามหกครั้งเจดครั้งก็ตามก็มีแต่ความคิดทีว่าพระพุทธเจ้านี่สมณะคนนี้นี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นพระอรันเหมือนเราแน่แตนะ่คือมีทิฏฐิอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่หมดกิเลสไกลจากกิเลสแล้วเพราะว่าเผาไฟนะไฟให้มันจุดติดอยู่ตลอดเวลา นะักกิเลสตูปเผลานไปมีความคิดว่าอย่างนั้นพระเจ้าก็หลังจากที่แสดงปฏิหารให้ดูหลายรอบก็ยังไม่ได้ผลในการที่จะให้ชลินนั้นมีความชัดตาก็คงจะมีบ้างระดับหนึ่งนะท่านผู้ฟังคิดว่านะคงจะมีบ้างระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าให้โปร่งใจเชื่อได้แล้วนะก็จึงได้แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของปฏิปทานะข้อปฏิบัติที่จะทําให้ถึงความเป็นผู้หมดกิเลสแลซึ่ง ก็ได้พูดพอพูดถึงเรื่องที่ว่าตัวท่านเนี่ยก็ยังมีกิเลสอยู่ตัวท่านเนี่ยไม่ได้มีข้อปฏิบัติที่จะทําให้กิเลสหมดแต่เราจะทําให้กิเลสหมดได้อย่างไรแต่ข้อปฏิบัติที่ทําให้กิเลสหมดนั่นคืออริยมรรคมีองค์แในลักษณะนั้นแต่ทําให้ชลินผู้พี่นี่เริ่มมีความเข้าใจมีความละเอียดลึกซึง้งในที่นั้นก็จึงทูลขอบรรพชาได้ขอบวชนั่นเองแต่พอขอบวชแล้วเราผู้บริวารทั้งหลาย500คนเราก็บวชตามด้วย แต่เราพี่น้องที่อีกสอ ง, อ ก, สองกลุ่มที่มีบริวาณ300รและ200คนตามลาดับเนี่ยก็บวดตามหมดเพราะเห็นผู้พี่บวตแล้วก็เลยบวดตามนั่นเองแต่ทั้งหมดตอนนั้นก็มีภิกษุอยู่พันรูปแต่พันรูปเป็นพวกชลินทั้งสิน้นเป็นฤาษีมาแต่เกา่าหลังจากบวตแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องของอาทิตตะปริยัยสูตรแตช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสาคัญนะเราไล่กันมาตั้งแต่ ตรัสรู้ใช่ไหมเดือน6หกมาเดือน8เป็นช่วงที่มีการแสดงธรรมจักกปรวัตนสูตรนะจนทั้งพระท่านพระอญญากุธัญญาเนี่ยบรรลุเป็นโสตบันหนะลังจากนั้นสองสาวันก็ติวเข้มกันใหญ่นะมีสการแสดงแสดงอนัตตลักณสูตรนะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง่นะมีพวกขันห้าบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างนะหลังจากที่บรรจารวกีทั้งหมดนะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมด้วยอนัตตลักณสูตร ในช่วงพรรษานั้นตั้งแต่เดือน8เป็นต้นไปประมาณ3เดือนจนถึงเดือน11บเอ็ก็มียาาัสะกุลบุตรแล้วก็เพื่อนของยาาัสะกุลบุตรก็ได้แสดงธรรมเรื่องอนุบุพิกถานะคือเรื่องที่ว่าด้วยทานศีล ส, สวรรค์โทษของกามและอ น, นิสงฆ์ของการออกบวชหลังจากนั้นเราก็มีการพูดถึงเรื่องอริยสัจสีด้วยเราก็ข้ามกลับมาที่ตำมนุรุเวลานะจากป่าอีศิปตนะ กลับมาที่ตำบลอุรุเวลานะเจอพวกชลินหนึนะ่งพันคนพอเขามีศรัทธามีจิตใจตั้งมั่นแล้วรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมีสมาธิติละขอบวชละก็ได้แสดงอธิตตปปริยายสุตในมือังนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าเราชลินทั้งพันคนเนี่ยเขาบูชาไฟมาก่อนนะต้องจุดไฟติดไว้ตลอดเวลานะไฟดับไม่ได้เทคนิคการจุดไฟการตั้งประทีปเอาไว้อะไรต่างเขาก็ ศึกษากันมาอย่างดีพวกนี้แต่เขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญทีนี้พอพระพุเจ้าเชื่อมเรื่องที่เกี่ยวกับจุดไฟติดไม่ติดดับอะไรร้อนอะไรไม่ร้อนกันแน่เนี่ยให้เห็นจริงว่าไอ้ที่มันร้อนเป็นของร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ไฟนะแต่ไฟที่ร้อนยิ่งกว่านั่นคือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะน้ำมันจะติดตรงไหนติดตรงที่มันต่อกันนั่นตรงที่มันกระแทกกันอย่างเวลาที่เขาเอาหิน2ก้อนมาแชะแฉะกัน นะหรือว่าเอาหัวไม้ขีดกับบามาเสียดสีกันหรือว่าเอาไฟแชกเวลามันจุดแชะแชะขึ้นมาเนี่ยนะมันจะมีสิ่ง2 ส, สิ่งที่เสียดสีกันแล้วก็จุดเป็นไฟเกิดขึ้นมาใช่ไหมพวกนี้เขาก็ชํานาญอยู่แล้วนะเอาไม้2อันมาสีกันไม้สีไฟอันหนึ่ ง, นนงกับไม้แห้งอันหนึ่งไฟก็ลุกขึ้นมาได้ใส่เชื้อใส่ไ ส, ส้เข้าไปนะไฟก็ติดขึ้นมาซึ่งตรงนี้พระเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของปัสจัยนะว่าตากับรูปเนี่ยมันชนกันพัวมันเกิดไฟขึ้นนะของร้อนขึ้นเกิดขึ้น นั่นคื อ, อความรู้แช้ ง, ง, งตา่นะางแต่พอมีความรู้แช้ ง, งตา่างๆปุ๊บ3อย่างรวมกันเป็นภัสดาแต่นะัสดาก็ร้อนด้วยแต่พนะัสดาร้อนก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่เป็นในภายในทางกายก็ตามความรู้สึกที่เป็นสุ ข, ขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่สุขอันนี้ก็ร้อนด้วยแต่เนกะิดความรู้สึกแล้วนะความคิดนึกความอยากายาการปริวิตกอะไรต่างๆที่เกิดจากนี้ก็เป็นของร้อนทั้งสิ้นร้อนหมดเลยนะร้อนหมดเลย พอมีความรู้เห็นแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยก็จึงมีความหนนะพอมีความไหนก็มีความคลายกําหนัดพอมีความคลายกําหนัดแล้วนะก็ปล่อยวางไดนะ้ปล่อยวางได้หมดจดหมดเกลี้ยงนะพวกชลินทั้งพันคนตรงนั้นนะก็บรรลุเป็นพระอรันขึ้นมานะในสมัยนั้นก็จึงมีพระอรันเกิดขึ้นละหนึ่งพันกือบกสิรูปพระพุทธเจาอีกรูปหนึ่งก็เป็นหนึ่รูปในะตอนนั้นแต่ว่า60รูปแรกเนี่ย ก็ไปคนละทิศละทางในะไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก่อนในะมีแต่พันรูปตอนนั้นที่อยู่กับพระบุตรเจ้า60รูปแรกนี้กระจายกันไปละตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ป่าอิสิปตนแะแต่ก็เพอเอิญมีรูปหนึ่งในะซึ่งใปทางคนละทาง ก, กันกับที่พระบรเจ้าไปรูปเนี้ยไปที่เมืองราชกรุณ่านะพระบุรตรเจ้าตอนนั้นก็ไปที่อุรุเวลาปรกากฏว่าพระอัศจรรย์ในะรูปที่ไปที่เมืองราชกรุ์เนี่ยได้มีโอกาสไปพบปริพาชกผู้หนึ่ง นะซึ่งปริพาชคคนนี้ก็สมัยต่อมาก็คือท่านพระสารีบุตรนั่นเองนะปรากฏว่าพระสารีบุตรตอนที่ยังเป็นปริพาชคอยู่นั้นนะก็ได้พบเห็นท่านพระอาาัสสชิมีอินทรีย์ขาวพองมีวันนะงามนะก็เลยมีความสนใจใคร่รู้ว่าเอ๊ะบุตรในคําสอนของใครมีคําสอนว่ายอย่างไรอะไรต่างๆนะก็จึงเป็นเหตุที่ที่ทําให้ปริพาชคที่สมัยต่อมาเป็นท่านพระสารีบุตรเนี่ยตอนนั้นที่เป็นปริพาชคอยู่เนี่ยได้มีโอกาส พูดคุยนะฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิแนะล้วักจากที่ฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิแลนะ้ก็ด้วยปัญญาที่ท่านสังสมบารมีเอาไว้แต่นะทำให้บรรลุเป็นพระโสดาบันในที่นั้นโดยที่ยังไม่ได้บวช ด, ด้วยซ้ำท่านพระสารีบุตรสมัยที่เป็นปริพาชคนั้นพอบรรลุโสดาบันแล้วนั่นะก็ชักชวนเพื่อนนั่นะก็คือท่านพระมหาโมกขลณนะแลนะ้ก็เพื่อที่จะไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้นะาในขณะที่ไปนั้นก็ได้ไป บอกกล่าวอำลาอาจารย์นะก็คือสัญชัยที่อยู่ในสำนักอีกสำนักหนึ่งเป็นอาจารย์ระดับหนึ่งผลปรากฏว่าก็ได้ชักชวนหมู่เพื่อนกันทั้งหมด250คนนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะก็มาจากที่ตำบลอุรุเวลาละก็เข้าไปสู่เมืองราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุพันธุ์รูปคือเราพวกชรินพวกนั้นก็ได้มีโอกาสรับเสนาสนะจากพระเจ้าพิมพิสารในนะราชายังแกรนมคด นะรับวัดเวรุวันนะ่ะแล้วก็มีสถานที่ที่อยู่ที่พักที่เรียบร้อยละท่านพระสาริบุตรตอนนั้นยังเป็นปริภาชกอยู่นะ่ะพร้อมกับด้วยท่านประมหาโมคลนะณะเป็นเพื่อนกันแล้วนะก็ไปพบพระพุทธเจ้าพอไปพบพระพุทธเจ้ากับภิกษุ250รูปเพราะนั้นนะพระพุทธเจ้าก็บวชให้แเพราะนั้นในที่นั้นที่วัดเวรุวันนะ่ะจึงมีภิกษุหนึ่งพรูปพอดีนะ่ะรวมพระพุทธเจ้าด้วยเป็นอีกรูปหนึ่งเป็น1251รูป ส่วน60รูปแรกที่ป่าอีซิปสนะนั้นก็กระจายไปกลุลาบทิศต่างๆแหละไปเที่ยวแสดงทำอะไรต่างๆตรงนี้จึงเป็นที่มาว่าเอ๊พันสอมาจากไหนนะแล้วก็แต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละรูปนั้นประเจ้าก็บุดให้บวดให้ทําความเพียรจกนกระทั่งบรรลุปเป็นพระอรหันต์สองที่เป็นหมู่เพื่อนของท่านพระสารีบุตรนั้นนหลังจากบวชไม่กี่วันก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด248คน ส่วนท่านพระมหาโมคลานั้นก็ใช้เวลาเจวันในท่านพระสารีบุตรนั้นก็เป็น15วันใน15วันถัดมานั้นก็พอท่านพระสารีบุตรบรรลุธรรมแล้วก็มีอัครสาวกที่เรียพร้อมละทุกรูปเป็นพระหลานหมดแต่ก็จึงเป็นเหตุให้องค์ประกอบครบถ้วนความเหมาะสมที่เกิดขึ้นที่นั้นเราก็เนื่องจากมีอัครสาวกพร้อมแล้วด้วยและมีเหล่าภิกษกุผู้มีบารมีผู้ที่มีบุญญาธิการสังสมมาแล้วก็ มีเสนาสนะพร้อมมีผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์พร้อมจึงควรที่จะต้องมีเขาเรียกว่าเมือนการประชุมครั้งแรกในการประชุมเราสาวกครั้งแรกว่าอ่ะต่อไปนี้เราจะดําเนินการในเรื่องคําสอนของเราอย่างไรในการประกาศศาสนาจะทําอย่างไรแตนะซึ่งตรงนี้เป็นคาถาเป็นเรื่องที่ประชุมที่สําคัญนะซึ่งเป็นจึงเป็นที่มาของวันมาาบูชานั่นเองวันเพ็ญเดือน3ามนะซึ่งถ้ามานับในทางเดือนของ ฝังตอนตกเนี่ยก็จะเป็นเดือนประมาณกุมภาพันธนะ์ของทุกปีประมาณนี้ก็จะเป็นวันที่มีวันมาฆาบูชานะซึ่งเนื้อหาที่พระเจ้าแสดงในเรื่องของโอวาทปาติมโมกนั้นกนะ็มีนักปราชญาบัณฑิตหลายท่านก็แบ่งเป็น3ส่วนนะพูดถึงหลักการ3นะอุ ด, ดมการ4และวิธีการ6กนะหลักการ3ก็คือหลักการที่พระเจ้าทั้งหลายนะจะใช้ในการที่จะบอกสอนนะเป็นหลักการที่ เป็นหัวใจของคําสอนพระเจ้านั่นก็เรียกว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงใ น, นการทํากุศลให้ถึงพร้อมและการทําจิตให้บริสุทธิ์อันนี้คิดว่าหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินนั่นะสัพปาปะสะอาการะนังนะั่กุศลสูระสำปทาพวกนี้บางท่านก็ท่องได้โดยซ้ำนั่นคือการไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตใจให้บริสุทธิ์นั่ละการเป็นอย่างนี้3อย่างนี่เรียกว่าหลักการสามแล้วก็อุดมการสี่คืออะไรนั่นคืออุดมการในทางคําสอนของพระเจ้า ว, ว่า มีอุดมการ์มีจุดประสงค์เพื่ออะไรกันแน่หลักการมี3อย่างอย่างนี้แล้วอุดมการ์ทําไปเพื่ออะไรนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของนิพพานแล้ว่ามีนิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายของการออกบวชแต่ล้วคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการบําเพ็ญตะบะสมัยการทรมานร่างกายบ้างการทําความเพียรในรูปแบบต่ตางๆทําให้ร่างกายเจ็บปวดบ้างหรือว่ามีข้อวัตรปฏิบัติอย่างต่างๆกันนัซึ่งพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าหลักการตรงนั้นเนี่ยยังไม่ถูกแต่สิ่งที่ถูกก็นั่นคือเรื่องของขันติ ขันติคือความอดทนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นตะบะอย่างยิ่งในที่นี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความอดทนนะไม่ใช่ทําตัวให้ลําบากประปายปิปลี่ก็จึงพูดถึงการที่ไม่ทําร้ายคนอื่นก็จึงพูดถึงผู้ที่ทําร้ายคนอื่นนะไม่ใช่ว่าปันประชิตทําร้ายตัวเองด้วยนะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยถึงเรียกว่าเป็นสมณะนวะอุดมการของความเป็นพระอุดมการของความเป็นสาวกในธรรมะอะไรนี้ก็มีอย่างนี้นะคือปฏิบัติเรื่องขันติ หนาไม่ทําร้ายคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็มีนิพพานเป็นที่หวังเป็นบร ม, มาธรรมนั่นนี่คืออุดมการณ์สอย่างในอุดมการณ์สอย่างนี้แล้วเราจะไปประกาศศาสนาอย่างไรหนาจะมีวิธีการอย่างไรแล้วก็จึงมีวิธีการ6อย่างด้วยกันในวิธีการ6อย่างนี้หนก็คือพูดถึงการปฏิบัติตนของพระสงค์นั่นเองหนาก็คือ 1. ในการไม่กล่าวร้ายคนอื่นหนาไม่โจมตีว่าศาสนานั้นดีศาสนานั้นไม่ดีศาสนาฉันดีกว่าศาสนาเธอไม่ดีเท่า นะีไม่กล่าวร้ายคนอื่นนะอันนี้คือข้อที่1วิธีการปฏิบัติข้อที่2ไม่ทําร้ายคนอื่นด้วยนะีไม่ทําร้ายทางกายทางวาจานะีทางฝ่า ม, มือไม่บุคคลบังคับต่างต่าข้อที่สคือตัวผู้ที่จะไปเผยแพร่าศาสนาเนี่ยก็จะต้องมีศีลนะีตัวเองต้องมีศีลนะีศีลในที่นี้นะีก็คือศีลในปฏิโมกขนะีเช่นของพระก็หลายร้อยข้อเป็นพันข้อนู่นนะให้ให้ดีให้ถูก แข้อที่4ี่คือเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคในการปฏิบัติตัวของตัวเองละแนะข้อที่5คือมีที่นั่งที่นอนอันสงัดอยู่ในที่หลีกเล่นอย่าไปที่ที่มันอึดอัดคือโครมนั่นไม่ใช่วิธีการทางคําสองของพระเจ้าแต่ไปในที่ที่มันมีความสงบสงัดนสะอนให้มีความสงบสงัดแล้วข้อที่หกก็คือการทําความเปลี่ยนในจิตอันยิ่งนะเช่นเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญานะเรื่องของการภาวนาโพโชฌงเล่หต่างๆให้อยู่ในนี้ ในะนีเกี่กวิธีการ6อย่างแต่านผฟังลองจินตนาการตามนีก่อนไหมว่าตอนนั้นมีหมู่ทรงครบถ้วนนะเอเราจะประกาศคําสอนนี้ออกไปอย่างไรการประชุมครั้งแรกตอนนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเหนะมือนกับเราจะตั้งบริษัทนะตั้งบริษัทเปิดบริษัทมาใหม่อย่างเงี้ยเอาพนักงานผู้ถือหุ้นนะอะไรต่างก็เตรียมพร้อมและวเอานำมาประชุมกันนะว่าเราจดาเนิ น, น, นกิจการของบริษัทกันของเราอย่างไรนะเช่นเดียวกันในที่นั้นพนะระเจ้าก็อาศัยความที่เหตุปัจจัยมันครบถ้วน ในะมีทั้งอุบาสกอุบาสิ ก, กาในภะิกษุที่สําคัญสําคัญอยู่ที่นั้นหมดในะเหตุการณ์พร้อมสถานที่มีพร้อมนระาก็จึงได้มีการประชุมกันในที่นั้นในะพูดถึงว่าเอในธรรมวินัยของเราเนี่ยจะมีหลักการว่าอย่างไรงนะจะมีอุดมการณ์เป็นไปอย่างไรและพิธีการเป็นอย่างไรในที่นี้นระาก็จึงพูดถึงเรื่องของหลักการ3มอุดมการณ์4วิธีการ6กเดงเป็นที่มาของเรว่อโอวาทปาติโมกวันมาคาบูชาที่เราจํากันได้นะว่า มีจตุรงคสันนิบาตถูกไหมมีองค์ประกอบ4อย่างและหนึ่งในนั้นน่นะคือเรื่องโอวาทปฏิโมกนะพิชุพันศร์รูปมาประชุมกันนะบวชให้เองหมดนะแล้วก็ทั้งหมดเป็นพระอัฏฐานนั่นะก็จึงเป็นที่มาของความสําคัญในวันมาฆบูชานี้อันหนึ่งต้องทําความเข้าใจก็คือมีคําคําหนึ่งของภาษาพระนะที่เขาเรียกว่าปาติโมกนะพระจะต้องไปลงปาติโมกลงอุโบสถทุก15วันนะโอวาทปฏิโมกนี้จะเป็นคนละอันกับ เรื่องของการที่ต้องไปลงอุโบสถทุก15วันซึ่งจะต่างกันนะัคือพระที่จะไปลงอุโบสถเนี่ยหรือลงปฏิโมกเนี่ยคือการทบทวนศีลของตัวเองนะัซึ่งจะทํากันทุกๆ15วันนะแต่อวตารปฏิโมกนี้พระุทเจ้าแสดงครั้งแรกนะัคือในวันมากา บ, บูชาชตรงนี้เท่านั้นเองนะในที่อื่นแสดงไม่แล้วก็ได้พูดถึงอยูนะ่เพราะว่าเป็นเนื้อหาธรรมะใช่ไหมพูดที่ไหนก็ได้อย่างเวลาที่พระพรุทธเจ้าไปลงอุโบสถนั่นะไปลงปฏิโมกกับหมู่ภิกษุนะัในช่วง20ปีแรก ก็ยังได้กล่าวคาถานี้ทบทวนอยู่เรื่อยนะทบทวนทุกๆ15วันนะว่าอาพระต้องมีอุดมการอย่างนี้นะมีหลักการอย่างนี้นะมีวิธีการปฏิบัติอย่างนี้นะทบทวนกันไปนะในช่วง20่ปีแรกที่พระเจ้าอย่างลงอุโบสดกับหมู่ภิกษุอยู่นันะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงปฏิโมกข์กับหมู่ภิกษุละอันนี้คือเรื่องราวของวันหมาคาบูชาดวมถึงความแตกต่างระหว่างปฏิโมกที่ภิกษุต้องลงทุกๆ15วันนะมีการทบทวนทุก15วันแล้วก็โอวาทปฏิโมก แนะซึ่งเป็นเนื้อหาธรรมะที่ได้แสดงครั้งแรกในวันมาร์คบูชาในตอนปีที่2ของการตรัสรู้นั่นเองซึ่งเรื่องของโอวาทปฏิโมกนี้ ok นะก็ถ้าใครที่เป็นภิกษนะุมีการลงอุโบสถทุก15วันเนี่ยเราจะทราบอีูแล้วว่าบทตรงนี้จะมีการทบทวนด้วยทุกๆ15วันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าสาวกทั้งหลายผู้ใดก็ตามนะคําสอนตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกับก็เรียกว่าเป็นโอวาทครั้งแรก เป็นสุนทรพจน์ที่บุรุษชาให้ไว้ในยามเปิดบริษัทในการตั้งธรรมะวินัยนี้ขึ้นมาในวันนั้นองค์ประกอบครบถ้วนอย่างที่ว่านี้และในวันสําคัญในลนักษณะนี้เราควรที่จะตั้งจิตตั้งใจในะที่จะทําความดีให้มันยิ่งขึ้นไปแตนะ่สิ่งไหนเราดีแล้วเราทําแล้วดีแล้วแตนะ่สิ่งไหนเราทําได้ทําเป็นทําถึงแล้วรักษาเอาไว้ให้ดีนะทำให้ดีให้มันยิ่งขึ้นนะโดยการที่เราตั้งอยู่ในความดีที่เราทําได้มากก็ตามน้อยก็ตามแตนะ่บางคนอาจจะทําได้น้อย ก็อย่าท้อแท้ท้อถอยไหนให้ตั้งอยู่ในความดีที่น้อยของเรานั่นแหละไหนเราก็ขยายออกละสิ่งที่เป็นอกุศลให้ามากขึ้นไหนทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลไหนทำจิตให้บริสุทธิ์จิตที่ค่อยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เป็นอกุศลก็จะค่อยล้างออกลอกออกสิ่งที่เป็นกุศลก็จะค่อยเจริญขึ้นดีขึ้น น, นี่คือเรื่องของการบําเพ็ญตบะนี่คือเรื่องของการเป็นสมณะหรือผู้สงบนี่คือเรื่องของการที่เราจะทําให้คําสอนนี้เจริญมั่งคั่ง รุ่งเรืองตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานแล้วก็อาศัยวันนี้ในการที่เราจะทำความดีอย่างนี้แล้วรักษาความดีนี้ให้มันเป็นไปทุกวันใปนะระสงค์ที่คุณลงปฏิโมกอยู่ทุก15วันคุณต้องทบทวนคาถานี้อยู่แล้วนะทุกๆ15วันาวันะจะไม่ขึ้นใจท่องให้ได้ระลึกถึงให้ดีปฏิบัติให้ถูกนะจะทาให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในธรรมวินัยนี้ได้แล้วก็ท่านผู้ฟัง มีข้อสงสัยหรือคําถามใดๆก็สามารถติดต่อข้าพเจ้ามาได้โดยการส่งจดหมายในเขียนเป็นใรษนียบัตรหรือจดหมายก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความก็ได้นะถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a. com และในวันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุญอภิปุนโนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรียนบอน